ถามหากผมยังโสดอยู่การเที่ยวผู้หญิงถือว่าผิดศีลหรือไม่ถ้าผิดถือว่าร้ายแรงแค่ไหนและจะต้องได้รับผลอย่างไรไม่ผิดศีลแต่ถ้าบ่อยก็ถือเป็นอบายามุก ค, ครับพัดหลงลงต่ำได้เหมือนกันกรรมเกี่ยวกับการเที่ยวผู้หญิงนั้น อย่าไปถามว่าเสียเงินเพื่อทําเรื่องร้ายหรือเปล่าแต่ควรถามว่าเสียจิตให้กับเรื่องต่ําหรือไม่เพราะพอตั้งประเด็นอย่างนี้จะสรุปคําตอบได้ง่ายครับนั่นคือถ้าหมกมุ่นและเที่ยวบ่อยก็ได้ชื่อว่าเกลือกลั้วกับอบายมุกมีสิทธิตกต่ําได้ทั้งในการปัจจุบันและอนาคตที่เป็นเช่นนั้นเพราะราคะเป็นเครื่องเศร้าหมอง กวามอันเกี่ยวเนื่องกับราคาหนักๆย่อมเป็นไปเพื่อความมีจิตเศร้าหมองขอให้ลองนึกถึงหน้าเพื่อนของคุณที่หมกมุ่นครุ่นคิดถึงเรื่องใต้สะดือทั้งวันทั้งคืนแล้วถามตัวเองว่าหน้าแบบนั้นหม่นหมองหรือเบิกบานมืดดำหรือสว่างไฟต่ำหรือไฟสูงนั่นแหละครับเครื่องยืนยันความจริง อย่าไปมองว่าเขาคึกคักยิ้มยมิ้มโวเราะเป็นสุขแค่ไหนกับเรื่องราโมกนะครับความสุขวูบวูวับๆไม่ใช่เครื่องหมายบอกคุณภาพจิตแต่อย่างใดเลยแล้วย้อนคิดถึงตนเองแม้เป็นการที่ถูกต้องกับคู่ของตนกลิ่นอายเนื้อหนังและความเหน็ดเหนื่อยหลังการกิตนั้นทำให้คุณหูตามืดมัวหรือสว่างความคิดไหลลงต่าหรือทวนขึ้นสูง